เรามองปั๊แล้วก็กลับมาเพถ้าตันตัวก็ท่ทนธรรมะเข้ามาก่อนเขาเป็นอย่างนั้นแหละปรากฏว่าพี่ๆก็สองคนนั่งอะฮะแล้วมีอา마สามคนนั่งบังหูปั๊บเลยนะมได้ดูใจได้เองพวาเรายังเติดอยู่ภายนอกมาก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 ใจเป็นผู้รับรู้รสชาติลิ้นเป็นเพลงสื่อเป็นเป็นตัวรับรสและส่งไปทางวิญญาณวิญญาณก็ส่งไปที่จิตให้จิต ร, รว่ารถเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นโดยอาศัยสัญญามามามาให้ความหมายว่าวันี้เกลีย ว, วเกินไปหรือหวานเกินไปหรือจืดเกินไป หรือ ก, กําลังดีถ้าถ้าไม่ดีก็แข็งก็จะปรุงแต่นขึ้นมาว่ามันก็ต้องเติมหวานเข้าไปเติมเปรี้ยวลงไปนี่คือเรื่องการรัตตฐานตามตามกิเลสปัญหาจะไปีนรูปแบบนี้ถ้ารัตะฐานตามตามมรคคือธรรมะตามปติปัญญา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 ยาจะมีมาในรูปแบบไหนก็ร uh ับประทานไปตามที่ได้มายาน้ำก็รับประทานได้ยาเม็ดก็รับประทานได้จะเป็นกลมเรือเหลี่ยมหรือหรือเรียวทงรีหรือสรงรูปรูปไข่หรืออยู่ในรูปแบบไหนก็รับประทานได้จะมีส <ßerdem> ีสันอย่างไรก็รับประทานได้มีเกิดก็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 ทำไมไม่เห็นทุกล่านี้กันกลับมาาปคาว่าทุกแปลว่าทนอยู่ไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นอริยสัจสิไม่เห็นทุกสมุทัยนม่รู้มากนั่นเองอย่างนั้นก็ก็จะปฏิบัติไปไม่ถึงไหนจะไม่ได้เข้าไปสู่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 มักก็จะบวญการเมื่อมีมักผู้บุการนิโรธก็จะเป็นผลที่ตามมา่ัางนั้นที่ให้พิจารณาไายรักก็ต้องให้รู้ว่าสองส่วนนั้นอยู่ภายนอกอีกส่วนหนึ่งอยู่ภายในใจคือถ้าเห็นหน้าน้จังเห็นหน้าหาตา ม, มันก็จะลับธรรมชาตินะหลับหลับความอยากได้เพี่อเห็นว่าได้สิ่งนี้มาแล้วจะต้องเสียไป ก็รู้จะเอามาทมําไรเอามาอุตสาห์ไปบางที่วิ่งเต้นไปหามาถ้าเป็นแทบตายพอได้มาวันเดียวแล้วก็หยดไปอย่างเนี้ยจะเอามาทําไมให้เหนื่อยยากหรือเาแต่เราไม่รู้กันเรากลับมองว่าไดมาแล้วจะอยู่กับเราไปตลอดจะอยู่กับเราไปจนวันตายจะให้ความสุขกับเราไปตลอดเราก็เลย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 เพราะเป็นปัญญาเป็นความจริงเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นปัยลัคเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาผู้ที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้จะ ต, ต้องรู้รู้ทันอนิจจังรู้ทันอนัตตาอยู่ตลอดลมหายใจเขาออ้าตลอดเวลาอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าอนุโมให้จิกรยาความใจทุกลมหายใจเข้าออก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 ประมาณแค่เพียเท่าทีวเปิช่องให้จิตเลยมาทําลายจิตใจมาสร้างความทุกข์ให้จักใจเพราะเราไม่ได้เห็นคุณค่าหรือยังไม่เห็นคุณค่าของการพิจารณาใจรักนี้อย่างจริงจังก็งเลยทำให้เรายังเป็นเป้าของจิตเลย ของความทุกข์เี้ยเพราะฉะนั้นเวลามองอะไรภายนอกขอให้เรามองว่าเป็นอนิจจังเป็นมนมตตาแล้วจะมาดับปัญหาคือสมุทยัยไปหนจอยคือละสมุทยัยเมื่อสมุทยัยละแล้วทิโรดคือความดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาอยูที่ตรงนี้ที่การเจริญปัญญา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 ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเรื่องราวต่างๆเรวลาที่จะคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ก็จะไม่มีเลยเพราะว่าจะถูกเรื่องราวต่างๆถูกลากไปอยู่ตลอดเวลาและเมื่อถูกถหกลากไปแล้วมันก็มีเหมือนกับเป็นเป็นเหมือนนบที่เล่นครเขาบางทีไม่มีไม่มีอะไรมาถูกลาก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 อาสตาร้าเนี้จะเป็นอาเซียนเนี่ยท่านเขาเจะเป็นนักคิดพิเศ ร, ร์ที่ยิ่งใหญ่เขาที่ว่าถ้าเขาไม่สามารถทำสิส่งนี้ได้เขาจะไปไม่ถึงที่เขาต้องการก็เลยเป็นความที่ตกอย่างนี้ของเขาเพร่อแมนก็เลยก็เลยพามาคุย <laughs>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 ถ้าได้โรงเรียนที่ไม่ดีแล้วเขาจะไม่ได้เป้าหมายตามที่กขต้องการเราก็บอกว่าการเียโรงเรียนนี้มันไม่ใช่เป็นเป้าหมายสุดท้ายของเราโรงเรียนก็เป็นถึงทางเท่านั้นเองแล้วก็มีหลายทางที่จะไปถึงเป้าหมายของเราได้คืยอยโรงนี้ก็ไปถึงได้เรียอกโรงเรียนหนึ่งก็ไปถึงได้เหมือนกันเพราะมีโรงเรียนดีๆในระดับหนึ่งในสิบนี้ก็สามารถพาให้เราไปได้เหมือนกัน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 แต่ก็ให้เราทำให้เต็มที่ก็แล้วท<ม>ันแต่ตัวเขาเขาเรียนเต็มที่เขาไม่ทำอย่าง<ม>อืง่นเลยเขาเอาแารเรียนอย่างนี้ถ้าจ่านพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยอย่างนี้นะักนะจุวิทยาสอนคนให้ทาให้คิดทักษณะเป็น p o โพสติ i n k ิ n g อยู่เลยอย่<ม>ักณะนั้นซึ่งการคิดโพสต i ้งจิ้งนี้มันมันละเลยเรื่องอดิจังไปหรือเปล่า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 เพราะเราก็ต้องตายอยู่ดีเขาก็กลับไปิดอย่าง น, น้เขาถึงไม่กล้าไม่กล้าที่จะคิดถึงความตายเพราะกลัวว่าถ้าทุดถึงความตายแล้วจะทำให้เกี่ยวคันจะไม่มีความหุ่มานะที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาความรู้ต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องของงาโมหะอวิชชากล้องนำใจเขาไม่เห็นตัวทุกข์ว่าความทุกข์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 ยังจะตัดปัญหาต่างๆให้เบาบางลงไปมันก็ไม่หนุนนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้พิจานรณาอยตลอดเวลาเราเนี่ยถึงยังต้องกเกษตระสนไปเรียนต่อไปหาโรงเรียนไปทํา ง, งานหาเหงินเก็บเงินแล้วก็พอมเงินพอก็ติดต่อหาโรงเรียนเรียนต่อมันก็ยังอยากจะไปอยู่นอกเมืองานี่อยากจะไปสัมผัสกับโลกที่เราไม่เคยเห็น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 คืวถึงว่ามันดีกว่าสูงอยู่แล้วยังไงมันก็ดีกว่าไม่ได้ไปก็ไม่อยากจะรบควนทามบ้านผู้สารพ่อแม่เห็นข้าหาเงิหนหาทางมาด้วยความยากลำบากก็ไม่เคยขอต้อหาเงินของเราเองติดต่อโรองเรียนหาโรงเรียนเองชื้อตั๋วเองใช้เงินของเราเองมาถึงมันจะไปก็บอกว่าจะไปแล้วนะ้ย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 เราประดิษฐ์กลับมาก็ไม่ได้รีบตะเพรื่อน้นจะต้องมีงานมีการจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นเมื่อกับอยากจะพักผ่อนมาเรียนแล้วทำทำงานาด้วยมันเหนื่อเนี่ยมันเหนื่อยไอ้ชีวิตของเรามีแค่นี้นะตะเกิยดตะการกัอยู่ตลอดเลยเพาต้องตะเกตยดตะการไปหางานเป็นไซสหางานหาเงินเพื่อจะไปเรียนพอเป็นเรียนก็ต้อไปเก็บตะเกียดะจายเรียนแล้วก็ทํางานต่อ พอจบมาแล้วนี or, ici, Donc, ่ก็ยังเียตะกายหางานหน่อยนี่แล้วก็ต้องทำไปสาสิบกว่ีแล้วถึงจะเกษียณอายุแล้วตลอกครับก็วชีวิตของเรามันหลับแล้วก็เกินมันไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้ยแต่ก็เขาแค่สารเลยาก็เลยหราวนี้เช่าวันก็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 เขาของเราไปเราของเขาบางทีก็ไปอ่านตามร้านหนังสือขอเขาอ่านไม่ได้ซื <c oughs> ้อเลยงานมันก็มันก็ได้ความรู้เกี่ยวกับคือหนังสือวมื่อกี้เป็นหนังสือสาษาอังกฤแล้วก็เกี่ยวกับทางด้งดงานนิมิตญาเกอนไม่ใช่เป็นแบบปรัชญาแบบครับสิคมีการเรื่องล้ายๆเึงเกงนิทานเก่งนิยาอะไรแบบนี้แต่ัน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 เมื่อก่อนก่อนจะเลื่มก็เป็นของเขียนไปขอนขอนังสือไปซื้อหนังสือเนะพื่อจะที่ที่ลงผิงที่เขาผิงจกเพื่อายกนะ็ได้หนังสือมา ส, สติปัตยานามก็เลยได้ได้ริมามาสติปัตยานิสียเป็นคํำทีเป็นคู่มือของการปฏิบัติตอนต้นก็ท่องก่เวลานั่งสมาธิถ้าอยู่กับลมไม่ได้เรา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 ในเวลาสังเทศนาฟังธรรมมันเป็นเรื่องกันยาฟังไปแล้วมันก็เผยหรือถ้าเราท่องข้อสูนนี้ก็เป็นเรื่องกันยาวเนื้อสติปัฏฐานสูงนี้เป็นเรื่องกันยาวสงสารให้เราเจริญสติในร่างกายในเลือดธนาในจิตในธรรมนะครับสงสารวิธีที่มีหลากหลายด้วยกันในร่างกายนี้้ขึนมีหลายลูกแบบ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 จากการสืบ ส, สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอได้พบกับความสุกนี้แล้วก็จะสามารถละความสุกทางตาหูจมูกทิ้งกายละการมัสันผะสละโดยเผยว่าการมักสัมผหรือความสุกทางตาหูจนูกทิ้งกายนี่มันเป็นเหมือนยาสุพติดมันสุกเฉพาะเวลาที่ได้เสึกได้สัมผัสพอเวลาไม่มีมันก็รู้สึกอ้กางว้างปากเปลียว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 ทักอยู่ปีแล้วก็ได้งานเป็นผู้จัดการแไม่กินในเดือนละสามพันค่าทำอีหกเดือนเราก็ไม่เราก็ไม่ได้เที่ยวอยู่แล้วเพราะก็ยังเก็บเงินได้ประมาณทักหกพันหรือหกเจ็ดพันก็คิ้งเดือนเก็บค่าใชจ่ถ้าเรากินอาหารเวลาเมือเมืนงก็จุดบาทก็คุอยู่หน้าลเพราะเก็บเยาว์ชาละสองบาทข้าวมันไก่คุาว์ชาละสาบาท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 โยย่อมสมาธิโยนจงกรมอานหนังสงื อ, รอรธรรมะอ่านหนังสืมะก็เป็นการเจริญเขาเยกธรรมานิสติมีสติอยู่กับธรรมะเวลาอ่านนสืนี้ก็เป็นธรรมานิสติเวลาเรามีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวขอ ง, งร่างกายก็เป็นการยตาสติเวลาเรานั่งไปยะเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นเาเราก็อย่า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 ไปมีสมุทยัยคือความอยากให้มันหายไปมันก็เลยไปสร้างทุกข์ขึ้นมาไปเ่องจาพอเราเอาจิตมาบริกรรมมันก็ไม่มีเวลาที่จะไปมีอคติพอมันไม่มีอคติทุกข์ในใจก็ดับไปถ้าทุกข์ในใจดับไปความเจ็บัวของร่างกายที่อาจจะดับไปด้วยหรือไม่ดับไปด้วยมันก็จะไม่ดุจอย่รงบางทีมันก็ดับไปพร้อมกับทุกข์ภายในใจ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 แต่ถ้าเราไม่ฉลาดพอที่จะแยกแยะที่จะวิเค ร, ะะราะห์ได้เราก็ต้องอาศัยการบ ร, ริกรรมตปก่อนว่าการบ ร, ริกรรมนี้มันง่ายที่สุดเพียงแต่เริกรรพุทโธพุทโธไปให้ถี่ยิบเลยอย่าให้มันมีช่องว่าไปคิดถึงความเจ็บเลยเราดูที่วันนี้แล้วมันจะเป็นอะไรจะเป็นอย่างที่เล่าให้ฟังหรือไม่นี่ก็คือเรื่องของ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 แล้วให้ใจเหยื่ครูบาอาจารย์ทางสายหลวงปู่มั่นที่ทางภาคอีสานพระกาตามที่ได้รับการทำแนะนํนำบวนแล้วก็ได้ไปอยู่ที่รัดสายล้องกะก็อยู่แน่นตลอด9พรรษาตั้งแต่ปี2 5ตาถึง2526ประมาณ8ปี8เดือนเข้าไปในษาลหลวงต่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 ไม่ได้คุค้นกลัวเสียมากกว่าแต่ม <Okay. S 1> ันพาทางม mm ัคพาทางมันทาให้เราใช้ควาต้องต้องคิดอยู่ตลาดเวลา mm hmm. ต้องมีสติอยตลาดเวลา mm hmm. ต้องใช้ปัญญาอยู่ตลาดเว mm hmm. ลา เวลาไปไหนมาไหนนั้นพระจะร่วมทั้งสั่งเวลาอยู่ตอนหน้าหลวงจ้าแล้วเราก็ตัจาแล้วเราก็องถืงนั้นหรือเปล่าตอนต้นเราก็ไม่สั่งนะเราชิลๆเพราะยังไม่เคยถืกกัดนี้ไม่เคยถือตะปอคอยอยู่ไปอยู่ไปโดนตะปอะปอตัดที่้วโอ้นี่เห็นท่านเดินมาก็เล่นหิ้งเลทาดีท่าดีท่านจึงกับเราไหว้ท้า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 มันมันไม่รังเลยนมันตายไ่ห อ, อย่างตลอดเล น, นี่ก็เรองของของกายรักมันอยู่ในสติปัฏฐานเน้่ยภายีนพิจารณาทุกอย่างน่าเป็นกายรักวาเราจะได้ความว่าก็าจิตไม่ได้เป็นสิ่งอะไรจิตไม่ได้เป็นกายรักการจิตไปผัวพันกับกายรักไปลงจิงตยี่กับกายรัก แล้วก็ใจรัก็จะถูกใจรักัดอไนเหมืนไปยุ่งกับงูถ้าเราไม่ไปยุ่งกับงูแล้วงูไม่กัดเราเราไปเล่นกับงูเพราที่เราหมองูตายท้องงูพวกเราก็ทุกข์เพราะเราไปยุ่งกับพวกที่เป็นใจรักเ่งไนยุ่งกับลกเสียงกลิ่นรสดนะคไปยุ่งกับขันห่าลูกเวทนาสัญญาสงสารนิยามตรงนี้มันเป็นใจรักเอง เราก็ต้องปล่อ ย, าอายาอ ว, ะะวยา ง, วยงต้องพึ่งพาให้รู้ทันเพเห็นว่าเขาเป็นไปรัก น, นะเราก็จะปล่อยวางเข้าไปว่างได้เราก็หยุดแล้วก็ค้นจากเรื่องของใจเราต้นจากทางคดจักร ขั้นแรกก็คือพอดูท่านเดินฐานงานพิธารแล้วเ่าสั่งให้จะทำอะไรทั้งอย่างตอนีท่านพูดค่อยตอนไม่ไม่รัดเราไปจับฐานกันว่าว่าอะ้ครับ ข้อสอนนี้น <c oughs> <c oughs> แต่เราเป็นคนแบบหุ <c oughs> <M> ่นโง่กลา่อนเราไม่รู้วิธีการปฏิบัติกับครูบาอาจารย์เรเคยอยู่กับเขหลัไม่รู้อะไรก็ถามทงหนึ่งท่านก็เอากล้วยมางท่านบอกให้ออไปไว้ที่ลานที่ทานเล้นตะอกใช้การศึกษานเราไม่รู้และไม่เคยไป กาพการทั้งยที่ไหนต้ออย่างนี้เลยเอาไม่ยังใหม่หรอกไม่ต่องไม่ตัดข้อเลยต้องเป็นแรบเดิมอยู่แต่ทั้งนี้สองไม่พอถามจ่ิงๆก็จะข้อใจหรือต่อไนไม่กล้าถามรู้ไม่รู้จะใช่ ไม่รู้ว่าทำเนยของลึกถึงเนถามไม่ได้ท่านผู้เร่าแล้วมีแต่ภาพอย่างเดวหรือเฉยอย่างเดียวแล้วท่านจะรู้ว่าเราเข้าใจไม่เข้าใจถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจท่านก็จะย้งขึ้นมาเชื่อย้อนถามไม่ได้ท่านอาจารย์ใช้แบบนี้ด้วยหรอนการกึไม่หรก็พิ่มที่เท้าติดตัวเลย มันยืดรูกบนเข่าอะท่านก็เปนหนในในร้านนบหร้กคืนท่านเดินวยเดินท่าเดินแล้วบางทีท่านสรองเท้าด้วยก็ให้รู้ึว่าท่านเดินจะเป็นรองเท้าหลายตัเดยวต้าไปหน่อยนะ เราใครมันกันถามไหมครับโอ้โตกคนนี้ไอตัวนี้ กเนต่ออาจารย์ีน้องที่เราอยู่อิกาัค่ะนนี้ขห่หน้ามาวปอันาสว่า เขาเหลือแต่ท่อนบลนะคะ่อนล่างก็จะเป็นอย่างนี้ของขาแล้วก็อีกครั้งนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเหี่ยวไปที่ืาแต่เราก็ยังไม่ทงเสียเขาลอกชาใช่ไหมเขาเขาก็รู้สึกตัวที่ขาเก็นทางนี้จะบอกว่าบอกเขาว่าเวลาเ้านั่งแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรเช่นอย่างที่เขาเล่ามานี่ก็ให้รู้ไว้เฉยๆไม่ต้องไปมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่รับ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 สมาธิานี้สนับสนุนจิตให้พิจรารณาได้อย่างต่อเนื่องให้เป็นให้เป็นปัญญาไม่ให้เป็นสัญญาถ้าไม่มีสมาธิแล้จะพิจรารณาไม่ได้อยู่กับความจริงมันจะอยู่กับความความจําหรือความคาดคะเนว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปคาดว่าอ๋อต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามไปก็เลยบรรลุขึ้นมาโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผล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 ถ้ายังไม่ยังไม่เต็มที่ก็เป็นขั้นอริยะต่างๆขั้นสโสดาบันบ้างขั้นสติดาคาณีบ้างขั้นอนาคาณีบ้างแต่พอดับทุกข์ได้เต็มที่ก็เป็นขั้นพระอารหันต์เป็นพระนิพานไปพอถึงขั้นนั้นแล้วก็ไม่มีงานต้องทำต่ อ, อไปไม่ต้องภาวนาก็ได้ไม่ต้องทำบุญก็ได้ไม่ต้องมาทอดกระินก็ได้ไม่ต้องไปทอดตาฝ่าก็ได้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 แล้วเวลาไม่ได้มันพุกข์ทรมานใจแล้วงานกระถิ่นมีหมดเลยยังสำหรับพวกเราเน่ยังมีมีกระถิ่นึงไหมฮะหมดแล้วไหมโ<ม>อ้จิตตายแล้ว ก็ดีก็ทําไปถ้าเรายังอยู่ขั้นนี้อยู่เราก็ต้องทําไป lad lad lad. ถ้าเราอยากจะขยับขั้นก็ต้องพยายามทําขั้นต่อไปถ้าไม่ทํามันก็ขึ้นไปไม่ได้จะเรอให้มันขึ้นไปเองมันไม่ขึ้นไปมันไม่เหมือนเรียนหนังสือพอเรียนจบปีหนึ่งแล้วเขาก็ดันเราขึ้นปีอสองไปแต่นี่มันดันไม่ได้มันต้องขึ้นไปเองต้องปีนขึ้นไปเองเราทำทานแล้วทีนี้ก็ต้องปีนขึ้นไปขั้นศี้นละ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 ยังว่าตอนเทศน์นี้ยังไม่งว่าคือก็าวใจความสงสัยให้หมดไปแล้วไม่มีความสงสัยไม่มีปัญหาเลยคนสอนก็สบายความสงสัยไม่มีปัญหาเายนี้คนสอนก็สบายเวลาลงจ้าเทศน์พระไม่เคยมีใครถามปัญหาสักคนนะฟังมาฟัง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 พอตายแล้วที่นี้ก็หายอย่างสาวอวันไม่ต้องกลัวโรคภายไข้เจุดมันต้องหายแน่ๆไม่ต้องไปรักษามันหายแน่ๆให้มีความสุขอยู่กับความเป็นโรคภายไข้เจ็บดีกว่ามีความสุขไป่าตอนน้สุด ข, ขอบความเจ็บไข้ได้เฉยแล้นเราจะสบาย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 ก็แนะนาว่าท่านต้องขานอาหารตอนเย็นนะอะไรอย่างนี้ขึ้นมาอร่อยกันแบบนี้ยิง<ก>ชอบรักษาแบบธรรมชาติปล่อยให้ร่างกายมันรักษาอเองเราให้เวลามันหรือเวลามันไม่สบายก็พักมันเต็นที่ก็แล้วกันแล้วให้มันมีโอกาส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 เชื้อโรคมันก็ไปฆ่าส่วนหนึ่งของร่างกายเราด้วยส่วนที่ดีมันก็ไปทำลายด้วยดูคูบาจานที่ท่านรักษาทาธรรมชาติเนี่ยท่านอายุยืนยาวกับพวกที่ใช้รักษาด้วยหมอรักษาด้วยยากัน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 เราไม่สังมที่จะทาสมาธิได้นั่นหมายถึงว่าให้เราพิจารณากายอยู่กับอยู่กับปัจจทันกายว่าหมายถึงเวลาเรนั่งเวลานั่งถ้ามันยังไม่ได้กสัสองเท่าสอเท่าหรือสวนต์สองกได้หรือถ้าจะพิจารณาก็ได้จ้พิจารณาได้พิจารณาแล้วไม่คลุ้งใจก็พิจารณาไปก็ได้ าไปรักไปก็ได้ในการพิจารณาของาจให้สงบก็ไาฟังธรรมเหมือนกับการพิจารณาเวลาเไม่ได้พิจารณาเรฟังามพิจารณาของพู้แสดงธรรมเพราะเราพิจารณาไม่เกก็ได้ทั้งสองอย่างถ้เราพิจารณาเงได้และสงได้ก็ได้เป้าหมายก็คือห้มันสงบให้ได้ด้วอวิธีบดวินลาฟังธํามนี่มีตัว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 เป็นความคิดเป็นความคิดเป็นความคิดคิดพุดโทโธพุโทโธไปถ้าเรายังคิดไม่ได้ก็ลองออกเสียงเบาๆไปก่อนก็ได้พุโทโธพุโทโธพุทโธแล้วก็ค่อยหยุดแล้วก็พุพโทโธไปภายในใจไปบางคนก็อาจจะใช้สองอย่างรวมกันก็ได้บางคนก็ถูกเฉลิบบางคนก็ไม่ถูกเฉลิบคือจะใช้ลมกับพุโทโธไปด้วยกันคือเวลาหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธ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 เอให้เป็นงานด้วมือมากุเจอยู่ด้วยเลยที่พีก็ก็พยายามซับว่าถ้าจะไม่ให้ส่งติดออกไปนอบเนี่ยแทนที่ฟังธรรมหรือว่าบางครั้งเวลาพะเสวนาหรือจำวิธีการสำคัญเนี่ยลูกจะเจ็ดเจ็บใจใจจิตจ่ออยู่กตตรงนั้นแต่พอมีเรืรองมทบเข้าอย่างคนข้างๆเนี่ยส่งเสียงดังขึ้นมาหรือว่าบางทิศทางอะไรที่มันแบนขนดที่เราเงียบเนี่ยเราก็หนได้ไง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 ก็ไม่รู้อยู่นะคะแต่ทำไมต้องเจอตลอดเวลาเลยก็ไม่รู้ทำใจไม่ได้มู้อเพาะส่วน่ในชีวิตประจาวันของเราเร่อนี้ใส่เวลาเราชอไปหาเรื่องเองไม่อะค่ะบางทหนีด้วยซ้ำเสร็จมันต้องเจอก็ไม่รู้มันเป็นปกตมันเจอเรืกันทุกคนแต่บันทีเขาเจอแล้วเขาปล่อยวางแล้วก็รสม่เป็นปัญหาอะไรเขาก็จถือว่าเป็นเร่ธรรมดาแต่พอเราเจอก็มันเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะ เราไม่อยากคุยงานที่คอนเทนต์ทุกคนก็เจอเหมือนกันไม่ตมัดกันนะแต่ถ้าว่ามันเป็นประเด็นสําหรับเราแต่นี้ไม่เป็นประเด็นสําหรับเราเราอยา่ไอยาไปให้มันเป็นประเด็นข่างมันเกี่ยวกับข้างมันข้างมันข่างมันได้แล้วไม่ยอมทำเลง เรา ส, งส่งติตไปเรา ส, งส่าส ง, สงติดไวปหาเขาตงไหนพอรู้ไปก็เดินส่ับมาเลยก็ไม่ได้ส่งอะไรตั้งใจมากเลยก็มากิตที่ไานแสดงแสดมาจิตสมาธิเรายังไม่หลัาาใช่ไหมคนก <ะ S 1> ัเหมือนปุยปุยนุ่นอยู่เหตอนมีลมพัดแถวเบาขึ้นก็ปิตไปไวต่างเลยครถ้าเป็นเห็นนี่โอ้โหพายุมันยังไม่สามารถที่ขยับมันได้สิตที่ สิทส่ที่มีสมาธิจนที่มันจะอารมณ์อะไรต่างจะมาขยายไม่ได้สุดไปจะมันจะติดไปเรว่อยแสดงว่าเรายังผะยังสอบไม่ผ่านยงงอย่าไปโทษข้อสอบโทษคนสอบคนที่ข้อสอบจะโทษจะโทษข้อสอบว่ายากได้ยังไง นะอย่าไปโทษเขาต้องขอบใจเขาว่าโอ้อส้องั่งต้องตอบใจเราะขาชนะทีอะไรเขาไม่ชนะเขาไปแให้เรารู้ว่าเรายังไม่ผ่าเขาเขาไม่งได้มีอะไรสนองับเราหรอกเขาก็ทำไปตามพระจารยทขงเขา ถ้า ม, มันเสียงเสียงฝนตกป๊อกก้าปกก้างี้ทำไมเราไม่เลยนีมีอะไรขเขาอ่ะเราไม่ศึกษาเขาแต่ถ้าเป็นคนด้วยแบบนี้ไม่ได้ใช่ไนมะแต่เขาได้จะรู้ได้ก็เขาทำนีมันน่าจะรู้เนี่ยมันทาให้แบาทำให้เเกิดสิ่งเหล่านี้เราต้องอเื็นว่าเขาเป็นเหมือนเสียงหลังน้ชะ่ไหมเขนะาเป็นนักการ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 ถ้าใจเราไม่หนกแน่นพอล้วก็หาที่เวลาจะให้คอก็ไปนั่งบนที่ไม่มีคนเวลาจะรับคอนก็ไปนั่งไกลๆที่ไหนใครนั่งที่ข้างเขอนี้ไม่ได้ต้องสอเลยแล้วมือไปซื้อที่ไอรีเยไอนียวิทยามีฮะไปโอ้โเข้าไปด้วยเปิดเมื่อไหรจะได้ยินมานนั่นเลยจ้ะเมื่อไหร่เลยนะเวลาเวลาที่ต้องการกางสยามก็ติดมันไปแต่มันไม่ใช่วิถีวิถีทางร้างใช้เศษชสัญญ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 ก็เรีนนำได้ไม่ยากที่ลภาวนาพุทโธเนี่ยจะขากี่มาถึงว่าเราจะอยู่อิริยาบทไหนก็ได้ใช่ไหจะขคือถ้าเราอยากจะนั่งสบายๆเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆก็ได้ใช่ครับครั้นี้จับเรียนหว่าถ้าเราบริกรรมอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะง่วงมืนก็เหมือนกับซึมๆจิตมันจะซึมๆเราก็ควรจะปรับควรคนจะเป็นริยาาก็ควรจะเริ่มมาเดินทาง ถ้าเดินมาข้างหน้ายางง่วงอยู่พัเดินถอยหลังไม่ได้ระหวังมากจริงนะในสมัยผู้จัดการที่หลงชาท่านเทศในศาลทระไม่งก็บอกว่าเลาง่วงก็พาท่านก็จะเดินเดินถอยหลังถ้าเดินลงไปในน้ำในไม่าั้งว่าถ้ายัง่ง่วงก็เอายาไปจุ่มน้าแล้วก็มาหัวไวายบนศีอษะมาเข้าไว้บนศีระ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 นึกถึงอะไรบ้างอย่างนี้เจ้าค่ะว่าอะไรสต้านอนเอาพูดโทคําเดียวก่อนเอาอย่างเดียวก่อนเลยพูดโททัางว้เลยตั้งแตกไม่มาจะหลับเลยเะต้องมีศัพท์จะต้องม่มีข้อแก้ตัวเอาพุดโทอย่างเดียวถ้าถูกจะรือจะเราก็พูดโทอย่างเดียวกันไป แล้วก็การานี้ทิศไหนก็ได้ท่าหมเพาคน้าคยึงไหนก็จับตรงนั้นถ้าไม่มีภาคแล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์หรื้คนที่เราพาเรอยู่ทีไหนแล้วก็รับตรงนั้นถ้าสาวรีบุตรก็จะจับไปทางที่เราทิศที่เพระเจ้าประทับอยู่ตรงไหนพยายาจะจับพระองค์เจ้าถ้าเราอยากจะจับพระองค์เจ้าถ้าเราอยากจะจับไปที่ประเทศอินเดียก็ดูว่าประเทศอินเดียตรงไหนแล้วก็หันทางเพื่อนั้นถ้าอยากจะจับหลวงตาก็หันไปทางอีดอ